บัณนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปได้พูดมาถึงเรื่องสังโยชน์ที่เกิดขึ้นเมื่อตาเห็นรูปฟังเสียงจะบกตรมกลิ่นลิ้ลมรสกายูกต้องยึด้อดอ่อนแข็งรู้ใจเหนียวนึกซึ่งอารมณ์ ตามลําดับที่เรียงไว้จากโมหะเป็นต้นมาสัญญัติข้อแรกเรียกว่าสกายติจิคือความเห็นไปรีถือตัวถือตนหรือมีตัวมีตนหรือเป็นตัวเป็นตนที่สงใชค้คําอีกคําหนึ่งว่าอาหังการคือความรู้สึกว่าเป็นเรามีเราหรือว่า เป็นตัวตนหรือมีตัวตนของเราซึ่งนันสาธชนทั้งหลายจะเห็นได้ว่าจากความรู้สึกนึกคิดในจุดนี้เองที่นำไปสู่กิเลสประเภทต่างๆด้วยแล้วก็นำไปสู่สถานะที่ดีงามต่างๆด้วยตอนนี้ขึ้นอยู่กับพื้นฐานทางั้นจิตใจของบุคคล ที่มีความรู้สึกต่อตัวตนในลักษณะอย่างไรแตแนวทางพัฒนาตัวตนให้ประสบความสาเร็จความสุขความสงบในชั้นต่างๆอันที่จริงแล้วก็เป็นเรื่องความรู้สึกที่มีต่อตนด้วยความรักตนปรารถน า, ะาจะให้จายตนอยู่ดีมีสุขบังเกิดในสุขติบังเกิดในสวรรค์บังเกิดเป็นพรหม ต่ถึงก็เป็นพระริยะเพราะการถ่ายถอนความเป็นตนออกจากจิตใจก็บุคโลได้นั้นเป็นเรื่องที่มีความละเอียดซึ้งตอนได้เด็ดขาดจริงๆก็ต่อเมื่อทำลายวิชาได้เด็ดขาดเท่านั้นแต่นั้นในตอนต้นๆเราคงอาศัยตน คือรู้สึกว่ามีตนแล้วก็เป็นตนอยู่เพียงแต่ว่าแม้เกิดยึดมั่นถึอมันอ่นเอาจริงเอาจังมากเกิดไปถ้าจะอุปมาเห็นว่าตัวตนของเราบางทีมันก็เหมือนกับยานพาหนะที่เราจะต้องอาศัยไปในที่ใดที่หนึ่งสับใดที่เรายังไม่ถึงจุดหมายปลายทางยานพาหนะเหล่านั้นก็มีความจําเป็น เลยต้องเกาะยิงเข้าไปตลอดแต่พอถึงจุดหมายปลายทางมันก็ต้องขึ้นจากยานพาหนะเหล่านั้นหรือลงจากายานพาหนะเหล่านั้นเพราะถ้าไม่ขึ้นหรือไม่ลงเราก็ไม่อาจจะพูดได้ว่าถึงจุดปลายปลายทางนั้นความรู้สึกพ่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขา เมื่อเราประพฤติปฏิบัติธรรมะแล้วจะมีความเตือจางบบาบางลงไปโดยดำ่มดับมีความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนน้อยลงซึ่งก็หมายว่าความว่าความทุกข์ก็ต้องน้อยลงด้วยเพราะความทุกข์ทั้งปวงนั้นเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วเกิดขึ้นจากจิตที่ยึดมั่นถือมั่นในขันทั้งห้า การยึดมั่นในขันขันางนั้นที่จริงก็อาจจะยึดของเราหรือขันของคนอื่นเปี่ยนแต่ว่าพอถึงคนอื่นเราไม่พูดว่าขันเราพูดเป็นคนๆไปเลยคือรวมไปเลยเชิลูกเราญาติพี่น้องของเราพัรยาสามีของเราองศาคณาญาติของเราเพื่อนฝูงของเราประเทศชาติของเราก็เรื่อยไปที่จริงมันก็เป็นขันแต่ละขันแต่ละขันเรายิงยึดมั่นถือมั่นมากเท่าไหร่ ความทุกความเดือดร้อนที่สืบเนื่องมาจากความยึดมั่นก็จะเพิ่มขึน้นแต่เมื่อคนเราเข้าใจถึงความเป็นจริงพยายามถ่ายถอนผ่อนคลายความยึดมั่นถือมั่นลักษณะนั้นลงจึนถือว่าคนนั้นก็โตแล้วเป็นผู้ใหญ่แล้วเรื่องที่เราคอยดูแลดูแลจําจี่้จำชัยอบรมแนะนํ า, น า, นาสั่งสอนก็นไม่มีความจําเป็น จุดนั้นจะมีปัญหาต่อใจเราน้อยลงหรือบางครั้งบางคราวที่ท่านสอนในแนวของอุเบกขาเพราะตรงนั้นมันไปนยึดมั่นถือมั่นอะไรไม่ได้ที่ว่าคนที่เรารักสนิทเสน่หาอย่างไรก็ตามที่เขาไปกระทําความชั่วแล้วต้องถูกเจ้าหน้าที่บ้านเมืองจับ ก, กลุ่มคุมขังสารตัดสินลงโทษตามกระบินเมือง ในกรณีนี้ถึงสังเกตว่าก็สอนในแนวถ่ายถอนความยึดมั่นถือมัน่นแต่พูดถึงเรื่องของอุเบกขาแปลว่าทำใจไม่ให้เกิดความยินดีหรือความยินร้ายในเวลาที่คนนั้นหลายเป็นไปตามกรรมของเขา แ, แสดงว่าในแง่ของความเป็นจริงมันก็มีมีพวกเราอยู่แล้วคนเหล่านั้นเองเรายอมรับว่ามีพวกเราเป็นพวกเรา แต่ในขณะเดียวกันเราก็ยอมรับกฎของกรรมที่ใครทำกรรมใดไว้จะดีหรือชั่วก็ตามก็จะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นเพราะงั้นเมื่อเขาทำกรรมในลักษณะนั้นก็ต้องเป็นไปตามกรรมของเขาเราจะเดือดร้อนวุ่นวายปริเวตกกังวลอย่างไงมันก็แก้ไขอะไรไม่ได้ แต่ถ้าขืนไปอย่างยึดมั่นถือมั่นจะให้เป็นอย่างที่เราอยากให้เป็นเราก็มีแต่ทุกข์คือเพิ่มคนแล้วก็เพิ่มทุกข์เพิ่มทุกข์ขึ้นแล้วก็เพิ่มปัญหาขึ้นในเองนี้จึงเป็นการสอนที่ใช้ปัญญาปินิพิจารณาซึ่งาศาสนาชนทั้งหลายเห็นว่ากิเลสประเภทนี้ต้องแก้โดยปัญญาเมื่อความปัญญาเรามาคิดดูมาแยกแยะดู สิงที่เกาะกุ่มกันเข้าว่าเป็นเราหรือเป็นของเราหรือเป็นตัวตนของเราหรือเราเป็นตนหรือตนเป็นเราหรือเรามีในตนอะไรก็แล้วแต่จะคิดมาดูแลจริงๆเนี่ยมันเป็นจริงหรือเปล่าซึ่งในการพิจารณานั้นก็คือการพิจนารณาแนวเจริญวิปัสสนากรรมฐานการเจริญวิปัสสนากรรมฐานนั้นเป็นเรื่องของการใช้ปัญญาเป็นหลัก เราอยู่ในยาบทใดก็ได้ยืนยืนก็ได้เดินก็ได้นั่งก็ได้น็อตก็ได้เพราะตัวเนื้อหาหลักจริงๆมันอยู่ที่การใช้สติสัมปชัญญะและความเพียรยกสิ่งที่เราพูดสรุปว่านามามาลูบแล้วนามก็คือสิ่งที่เรารู้ได้ใจเรา เป็นความรักความสุขความทุกข์ความเพลิดเพลินความยินดีความเมตตาความโกรธความริษยาพวกนี้เขาเรียกว่านามเพราะว่าเราไม่ได้เห็นด้วยตาไม่ได้ยินด้วยหูไม่สูดดมโดยจมูกไม่ได้ลิ้มด้วยลิ้นไม่ได้จับต้องด้วยกายแต่ว่าเรารู้ด้วยใจเราในขณะเดียวกันอาการของธรรมะเรือการของกิเลสเราก็รู้ได้เช่นเราดูความโกรธทีค่คนโกรธ ดูความโลภที่คนโลภดูความริษยาที่คนทึงริษยาดูความแข็งดีที่คนทึงแข็งดีคนอื่นแต่ดูความยึดมั่นถือมั่นจากคนที่มีความยึดมั่นถือมั่นแต่ตรงนั้นที่จริงไม่ใช่นามนธรรมมันเป็นรูปธรรมแต่เป็นการสะท้อนเข้าไปถึงนามนธรรมที่เกิดขึ้นภายในจิตของคนนั้นๆในขณะนั้นๆ เราจึงดูได้เฉพาะอาการของมันอาการก็ความโกรธอาการกความโลภอาการกความริษยาอาการกความแข็งเดียอาการกความเกียดคร้านก็แล้วแต่ว่าจะดูอาการของอะไรแล้วโดยยกเอาสิ่งเหล่านั้นมาพิจารณาในแง่ของความจริงว่าสิ่งเหล่านั้นจะเป็นยังไงก็าตามเอาก็าจริงแล้วมันก็ตัว อ, อยู่ในกฎของแตัวรักมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปไม่คงที่ เกิดขึ้นมาด้วยเหตุปัจจัยดำรงอยู่ด้วยเหตุปัจจัยแล้วก็เสื่อมสลายไปตามเหตุปัจจัยตานองคล้ายๆฝนตกเราก็ถามว่าฝนอะไรมาจากไหนทั้งข้าวมาจากอะไรมันมีเหตุปัจจัยให้เป็นอย่างนั้นอย่างฝนที่ตกในเมืองไทยตอนผ่านฟิลิปปินมันก็รุนแรง ทำคนตายทรัพย์สินเสียหายหเป็นนั้นมากไปทำไมจึงเป็นเช่นนั้นเราก็มองเห็นว่าเพราะเหตุปัจจัยมันแรงการเคลื่อนตัวเร็วมีกำลังมากไปประทะตรงไหนมันก็มีการหักโค่นทำลายสูญเสียมากแต่มาถึงเมืองเราปรากฏว่าการเคลื่อนตัวลดลง แล้วก็มีการสลายตัวไปแล้วไปจำนวนว่าความรุนแรงก็ลดลงและในสุดเขาก็ต้องเสืิมสลายไปตามเหตุปัจจัยเพราะการยกขึ้นมองเนี่ยที่จริงมองอะไรก็ได้เพียงแต่ว่ามองให้เห็นความจริงตามกฎของประไดลักษ์แม้ความความจริงเขาเป็นยังไงอ่ะในในแต่ละขณะมันเป็นยังไงเราก็ดูก็ไปเป็นอย่างนั้น แล้วจะเห็นว่ามันไม่มีอะไรเลยที่ควรแก่การยึดมั่นถือฟั่นเอาจริงเอาจังเพราะอย่ายึดยึดยึดมั่นถือมั่นยังไงมันก็ยึดไว้ไม่ได้เอากข้จริงเราเองเรายังยึงยดเราไว้ไม่ได้มั่จะยึดคนอื่นไว้ได้ยังไงอย่างที่พู้เจ้าทรงให้สติแก่พุทธศาสนิกนชนในลักษณะเตือนให้ได้คิดว่าคนทั้งหลายบ่นเพ้อไปว่า พ่อแม่ของเราทรัพย์สินของเราสามีปัญญาของเราบุตรที่ดาของเราจางมาเลือกส่วนไดหนาของเราก็แล้วแต่จะของเราแต่ก็จริงแล้วแม้ตัวของเราเองก็ยังไม่เป็นของเราแ้่สิ่งนอกนั้นจะเป็นของเราได้ยังไงตัวเราเองยังต้องพลาดพลาดยังต้องทำลายังต้องเสื่อมอยู่กันมาตั้งนานแล้วพูดจากันไม่เคยรู้เรื่อง บอกจะปวดก็ปวดบอกจะเจ็บก็เจ็บบอกจะเหนื่อยก็เหนื่อยบอกจะง่วงแกก็ง่วงแกก็เป็นอย่างที่แกเป็นที่เราเดือดร้อนเพราะเราไปยึดให้เป็นอย่างที่เราอยากให้เป็นแต่จริงแล้วแกก็เป็นอย่างที่แกเป็นแกเป็นยังไงแกก็เป็นนั่นแกอย่างนั้นเพราะแนวของพวกเหล่านี้ผมสังเกตว่าบางครั้งเนี่ย พระเจ้าจะสอนในรูปของการปรับใจยอมรับความจริงที่แก่เป็นในแต่ละขนาดที่เรามองในแง่ของธรรมดาหรือกติธรรมดาแกก็ธรรมดาเจ็บก็ธรรมดาตายก็ธรรมดาพลาดพลาดก็ธรรมดามันไม่ใช่เราเป็นคนแรกคือทุกคนเขาเจอมาอย่างนั้นทั้งนั้นพอเกิดแววมาถึงเราก็ต้องยอมรับความจริงหลักนี้ เพราะอะไรก็ตามถ้าเรายอมรับความจริงได้แล้วเนี่ยเราปรับตัวอยู่ได้ปรับใจอยู่ได้คร่าๆก็เราจะไปต่างประเทศซึ่งเป็นเมืองหนาวเรารู้ไปตั้งแต่เมืองไทยแล้วมันหนาวจะทำยังไงล่ะไปเมืองหนาวจะมีตะเตรียมอะไรไปไหมหรือจะต้องไปซื้อหาอะไรต่างประเทศเพื่ออยู่ให้ได้ในท่กากลางอากาศหนาว นี่คือลักษณะของปัญญาที่พิจารณาเห็นสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงทั้งๆ ท, ง ท, งที่เอาก็จริงเราก็ยังอยู่ในที่หนึ่งทีเรายังอยู่เมืองไทยเนี่ยแต่เป็นการยอมรับความจริงล่วงหน้าพอมาถึงโยุโรปถึงอเมริกาอากาศมันจะหนาวก็อยู่ได้ทําการความหนาวพุทสังขารธรรมทั้งหลายที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องเขาก็เป็นอย่างที่ก็เป็นอย่างนั้นก็ เ, เคยเป็นอย่างไงามาใน อดีตคือโดยสภาวะก็เป็นอย่างไงต่อไปต่อไปก็เป็นขออย่างนั้นพราะพรุทธเจ้าจึงทรงสอนให้เราได้คิดว่าการตั้งห้านั้นเป็นภาระคือสิ่งนี้ต้องแบกต้องหามอย่างหนักไปแต่ว่าจริงแล้วคนก็ยังแบกภาระเหล่านั้นเอาไว้การแบกนั้นมันก็ซืมเนื่องมาจากความเป็นเรา และต้องการปลนปลือตัวเองเลี้ยงดูตัวตัวเองทนุบำรุงตัวเองจึงปล่อยคว้าสิ่งที่ยังไม่ใช่เป็นของเรามาเป็นของเราที่าะใช้คำสองคาโดยสรุปว่าอหังการกับมาัางการอหังการก็คือเป็นเราหรือเราเป็นหรือเป็นตัวเป็นตนของเรามั่งการก็คือของเราความรู้สึกเหล่านี้ถ้าหากว่าเขามากเราคุมเขาไม่ได้ จะเห็นว <us> <time> ่าจะไปคว้าของคนอื่นมาเป็นของเราแล้วกลายเป็นอัจฉรยกรรมทั้งหลายบางทีก็คว้าคนคว้าสามีปัญญาคนอื่นมาเป็นของเราคว้าทรัพย์สมบัติคนอื่นมาเป็นของเราคว้าตำแหน่งหน้าที่คนอื่นมาเป็นของเราคว้าอะไรจะมีอะไรไม่รู้ของคนอื่นมาเพื่อเป็นของเรานั้นแสดงถึงความโลภจัดแล้วมันกลายเป็นอะไรกลายเป็นเวรเป็นภัยเป็นอันตรายเพราะนึกถึงแต่เรา ไม่นึกถึงเขาไม่นึกถึงเราไม่นึกถึงเขาก็ไปร่วมเกินสิทธิในส่วนคนดเดือดข้าวความแต่แก้ความร้าวฉานการสร้างเบนสร้างภัยการเบียดเบียนกันก็เกิดขึ้นเรอบนี้ถ้าเราไม่มีความรู้สึกกับเป็นเราเนี่ยไอ้กิเลสประเภทนี้มันก็หมดไปให้เราสังเกตถ้าเราจะไปในที่ใดที่หนึ่งสักแห่ง เราอาจะใหญ่โตมีตำแหน่งหน้าที่การงานอะไรก็ตามแต่เราเก็บความรู้สึกเป็นเหล่านั้นไว้ที่บ้านเราไปอย่างสามัญชนไปอย่างที่เราเป็นจริงๆคือไม่ได้ไปอย่างที่หุ้มห่อไว้ด้วยสิ่งที่สมมติกันในหลังโลกรู้สึกโปร่งเบาสบายเข้าไปในสถานที่ตัางหลายเราก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับคนในชีดนั้น อยู่ด้วยการคุยด้วยการอย่างเพื่อนมนุษย์ด้วยกันไม่เป็นเจ้ายศเจ้าอย่างไม่ต้องนั่งอย่างนั้นต้องกินอย่างนั้นภาชนะใช้อย่างนั้ น, นะงงนซึงมันแล้วแต่เดือดร้อนทะ่านั้นเป็นการประพฤติ ท, ที่เรียกว่าเบาทำไมเบาเพราะมันยึดน้อยมายึดมั่นถือมั่นจุดหนึ่จะอยู่ที่ไหนจะไปในที่ไหนมันก็ได้จะกินจะอยู่อย่างไงก็ไม่เดือดร้อนเพราะความเป็นความกินความอยู่ ถ้าเราลองถามกลับเป็นเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่รู้สึกว่าเราเป็นใหญ่เป็นโตอะไรคือเราเป็นอย่างที่เราเป็นแต่ที่เราเดือดร้อนเพราะเราสึกเราเป็นเราเป็นคนใหญ่คนโตนั่งเก้าอี้อย่างนี้ไม่เหมาะสมเครื่องต้อนรับอย่างนี้ไม่เหมาะสมการใช้คำพูดอย่างนี้ไม่เหมาะสมจะต้องมีการเข้าแถวจะต้องมีการต้อนรับจะต้องโบกมือจะต้องมีธงอะไรแต่เรว่าไปพอไม่มีสักอย่างเราโกรธ พอมีมากๆเราก็ชอบเราก็ชืช่นชมมันเป็นการปลนปลือตัวเองหลงไหลในตัวเองเลยลืมนึกถึงคนอื่นคนที่มายืนเข้าแถวรับเรามาต้องบริการเราอย่างนั้นอย่างนี้แต่ละอย่างรุนละแต่คนที่มีงานมีการมีภารกิจจะต้องรับผิดชอบและกินเงินเดือนของหลวงมาแล้วมาปลนปลื้มรุร ง, งเรือคนเพียงคนเดียว ลักษณะเหล่านี้มันเกิดขึ้นเป็นรูปของอัตตาที่เ ร, เรียกว่าอัตตามาจากความเป็นถ้าเราไม่รู้สึกว่าเป็นเราจะไปที่ไหนก็ได้อย่างพระพุทธเจ้าบางครั้งบางคราวเขาเอาเศษอาหารมาถวาย <c oughs> เขาก็มีเท่านั้นแต่เก็อยากถวายก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาถวายเอาเศษอาหารที่เขากินแล้วเนี่ยเขาก็มังกิน เราบท ว, วพรพ้ระพุทธเจ้ารับสั่งว่าคือเรื่องการทาบุญเนี่ยเป็นเรื่องของผู้ปรารถนาบุญตรงนั้นเหมือนกับปรัตตุปชีวีเปรตคือเป็นคนที่เลี้ยงดูเป็นคนที่คนอื่นก็เลี้ยงดูด้วยอาหารที่เขาให้เพราะอาหารเหล่านั้นจะเป็นยังไงเนี่ยมันก็ไม่มีความต้องกันอะไร เพราะว่าที่จริงแล้วก็คืออย่างอัตภาพไปเป็นไปแต่ถ้าตรงนั้นเกิดมีความรู้สึกว่าเราเป็นอาหารอย่างนั้นจะไม่รับไปจากจุดนี้กิเลสเราอืนมันก็เพิ่มขึน้นเพื่อสนองตอบความต้องการความเป็นของเราทีนี้ถ้าใครไม่สนองตอบจะนรู้สึกว่าเราเป็นคนใหญ่คนโตแล้วคนแม่ความก็รู้สึกเราจะโกรธ แล้วถ้าสิ่งเหล่านั้นคือความเคารพนับถือยกย่องลาบสการะชื่อเสียงที่เราเคยได้เคยมีเคยเป็นกิด เ, เปลี่ยนแปลงไปเราจะโศกตกลงว่าจากโมหะนี่มันนาไปสู่โลภะนําไปสู่โทสะพุทธที่จะทอนเอาไว้ที่กล่าวไว้ว่ากัรน่าหลานนั้นเป็นของหนักแต่คนก็ยึดถือภาระเอาไว้คือแบกเอาไว้ การแบกขันเอาไว้เนี่ยมันมีแต่ทุกข์การจะปล่อยวางีะได้จึงจะเกิดความสุขแต่ก็มีข้อแม้ข้อแม้ว่าเมื่อปล่อยวางไปแล้วอย่าไปยึดตรงอื่นอีกเพราะถ้ายึดมันก็ติดอีกแนวในการปฏิบัติจริงๆจึงส ร, ร, รงสอนว่าทำรรต้องปวงบุคคลไม่ควรยึดมั่นหรือปันหมายความว่าสิ่งนั้นจะเป็นรู ป, ปธรรมเป็นนามธรรมหรือเป็นอะไรก็ตาม ของกลุ่มรูปธรรมานามธรรมเป็นการปรับใจยอมรับความจริงของเขาความจริงเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นเพราะแนวาการดูแนวสรรมถาก็ดีวิปัสสนาก็ดีท่านสาธุชนต่างหลายเห็นว่าที่จริงเราก็ดูความจริงสิ่งเหล่านั้นกำลังเปลี่ยนแปลงเราก็ดูความเปลี่ยนแปลงที่ปรากฏแก่สิ่งนั้นจนถึงสิ่งนั้นต้อง ดับไปในที่สุดเราก็ยอมรับความจริงในจุดนั้นเมื่อถ้าเราดูเร า, เราดูโดยเห็นมาเนี่ยมาโดยลําดับนั้นใจเราจะไม่เสียคล้าๆเห็นไฟไหม้มาอย่างแรงลุกลามไหม้บ้านไหม้เรือนราชดอนต่างๆไปทัทง้ทงมากยังไม่ลดความรุนแรงก็ได้เชื่อบวกขึ้นเรื่อยไฟใกล้จะถึงบ้านเราแล้ว แต่ยังไม่มีคขาวจะลดความรุนแรงคงไหม้ทำลายไปโดยลำดบพอใกล้บ้านเราก็ยังเหมือนเดิมใจเราจะปรงตกไม่ได้ไปคาดหวังว่าจะต้องรอดพ้นจากการถูกไฟไหม้ไฟไหม้แน่นอนเราไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้ตอนนั้นคนจะทำเพียงแค่ไปเอาอะไรออกมาได้ก่อนก็ อ, ออกมาที่ อ, ออกมาไม่ได้ก็คือถูกไฟไหม้ แต่เนื่องจากเราเตรียมใจล่วกหน้าตั้งแต่เห็นไฟลุกลามมาโดยลําดับเนี่ยใจมันเตรียมพร้อมไม่เรื่อยไม่ก็จริงมันก็อย่างนั้นเนี่ส่วนที่เราสามารถเอาออกมาได้เราก็ออกมาได้ส่วนที่ถูกไฟไหม้ก็คือถูกไฟไหม้มันมีเพื่อนที่ถูกไฟไหม้ด้วยกันไม่ใช่ว่าเป็นเฉพาะเราคนเดียวเศรษฐิปัญญาที่เกิดขึ้นเนี่ยเขามีกําลังในการคุ้งครองใจรักษาใจของบุคคลเหล่านั้นเอาไว้ ไม่ถึงก็เศร้าโศกเสีย อ, อกเสียใจร้องผมร้องไห้จนถึงกับปริเวณนาการคร่ำครวนไปด้วยประการต่างๆมากผนะลลักการปฏิบัติตอนนี้เป็นสายชนทั้งหลายจะเห็นว่าเป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้ปฏิบัติได้ดระดับหนึ่งแม้เราจะมีความรู้สึกเป็นเราอยู่ แต่ก็ควบคุมความรู้สึกเหล่านั้นเอาไว้ด้วยความเหมาะความควรอะไรที่ยังไม่เป็นของเราก็คือไม่เป็นของเราหมายความยอมรับความจริงตามสภาพของสิ่งดหล่านั้นแล้วสิ่งใดเป็นของเราเราก็ยอมรับว่าเป็นของเราแต่ของเรานั้นเองแกก็ตกอยู่ในกฎของความไม่เที่ยงเป็นทุกแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาแกตกอยู่ในใจรักณด้วยกัน เป็นการอยู่ร่วมกับสิ่งเหล่านั้นอย่างรู้เท่าทันตามความจริงได้มาก็คือได้มาการใช้สอยประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นก็คือใช้สอยในขณะใจก็รู้อยู่ตลอดว่าสิ่งนี้ต้องจากเราไปเราต้องจากสิ่งนี้ไปไม่มีการอยู่ร่วมกันตลอดไปพระจริงมันก็เพิ่งเจอกันระหว่างทางเพราะเมื่อสิ่งนั้นอยู่เราก็ใช้ประโยชน์ได้ใช้ประโยชน์ได้ไปเรื นั้นเปลี่ยนแปลงไปเราก็ยอมรับความเปลี่ยนแปลงปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ไหมแก้ไขได้ไหมปรับใช้ถอยประโยชน์ได้ไหมถ้าปรับได้ก็ปรับปรับไม่ได้ก็ต้องปรงุงเมื่อเกิดอาการปรงุงคือยอมรับความจริงเราว่าหนึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ต้องจากไปการมองลักษณะอารมณ์แนวนี้อย่างที่ทรงสอนเมื่อก็แขกซึ่งมาเยืออที่บ้าน ผมสันเกตว่าแขกจะเป็นญาติพี่น้องมุสากัรญาติเพื้นฝูงอะไรก็ตามแต่ก็มาที่บ้านเราใจเรารู้มาตั้งแต่ต้นว่าเขาเป็นแขกมาถึงบางทีเขาก็อบอกว่าขอพักด้วยสองวันสามวันในขณะที่เขาพักเราก็สิ้นชมยินดีตอนรับเขาสนทนาสังสรรค์กันด้วยความสนิทสนมคุ้นเคยเพนานานๆจะเจอกัน แต่เราก็รู้ว่าพรุ่งนี้มารืนนี้มารืนนี้เขาต้องจากไปพอวันเหล่านั้นมาถึงข้าวใจเราก็ไม่เดืดอดร้อนทั้งๆที่เราร่วบเป็นของเราแต่เราร่วบเป็นแขกของเราและเกลืก่อนเกลืความเป็นแขกแต่มันเป็นเด็กใหร่ถึงเร า, าจะไปเราก็สง่งเราไม่โศกทั้งๆที่จากไปเว้นการแต่เราไม่โศกแต่ว่าสิ่งบางสิ่งที่เราไปยึดมั่นถือมั่นเอาในฐานะเป็นของเราอย่างเดียว โดยไม่มองในแง่ของความเป็นตัวของเขาซึ่งจะต้องเปลี่ยนแปลงแปรแปรวนแตกดับเสื่อมสลายทาลายไปตามธรรมชาติเราไม่ได้มองในจุดนี้ไว้เพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นอย่างที่แกต้องเป็นเราก็โศกเพราะอะไรเพราะไม่รู้เท่าทันตามความจริงตังนั้นแนวการถอนสักยติทิซึ่งเป็นกิเลสประเภทปุฆาเรื่องใหญ่ มันเป็นอหังการคือเป็นเราเป็นมะมังการคือเป็นของเราการจะถ่ายถอนผ่อนคลายลดความรุนแรงถ้าทั้งหลายจะเห็นว่าแนวธรรมะทั้งหมดเนี่ยเขาจะเข้ามาหนุนช่วยเช่นว่าการให้ทานการเอื้อเพื่อแบ่งปันมันก็เป็นทั้งเราแล้วก็เป็นทั้งของเรา สิ่งที่เราให้ปันก็เป็นของเราคนที่เราให้ปันก็คือคนของเราพระของเราพ่อแม่ของเราลูกหลานของเราเพื่อนฝูงของเราผู้บังคับบัญชาของเราลูกน้องของเราอะไรแต่ละก็ของเราอ่ะมันจะต้องเป็นของเราในจุดใดจุดหนึ่งแต่ปรากฏว่าจุดนี้กลายเป็นการเก้อกูลกัน แทนที่จะไปปรุงปรนปลื้มบำรุงบำรเรือรรรตัวเองแสวงหามาเพื่อตอบสนองความต้องการของตัวเองแสดงว่าอะไรแสดงว่ากิเลสธรรมะประเภททานเป็นการสละให้ปันเป็นการเอเื้อเพื่อเผื่อแผ่เป็นการให้เป็นการบริจาคเป็นความเสียสละ ก็สามารถลดความรุนแรงของความเป็นของเราแล้วก็ความเป็นเราลงไปได้ระดับหนึ่งแล้วกิเลสประเภทโทสะที่เราใส่เมตตาความรู้สึกผูกพันกับคนทั้งหลายในฐานะเป็นเพื่อนร่มวมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งสิ้นหรือว่าในฐานะใดก็ตามก็สรุปว่าเราเชื่อมโยงกับเขาอยู่ คนนั้นเป็นของเราเป็นญาติมิตรของเราเพื่อนฝูงของเราพงศักขณาญาติของเร า, า, น, า, า, เรานักเรียนนักศึกษาของเราประเทศชาติประชาชนของเราตลอดถึงเพื่อนร่วมโลกของเราเหมือนกันเราแผ่เมตตาไปในลักษณะนั้นสแสดงว่าความรู้สึกเป็นเรานั้นลดลงไปคือไปเอื้อเฟื้อต่งคนอื่นความรู้สึกเป็นของเราแทนที่จะอยู่เฉพาะวงแคบๆก็ขยายวงกว้างออกไป จนถึงเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นของเราเหมือนกันตรงนี้จะเห็นได้ว่ากิเลสที่ลดไปก็คือโทสะความแบ่งแยกความโกรธเกรียวความรุนแรงความเป็นเราเป็นเขามันกเ็เบาลงไปโดยอัตโนมัติโดยทีนี้ถ้าถึง ช, ชั้นของการใช้ปัญญาแล้วเนี่ย ความเป็นเราเป็นของเราก็ค่อยๆลดลงไปและรู้จักควบคุมตัวเอง่าตรงใดควรจะไปยึดมั่นถือมั่นและยึดมั่นถือมั่นไว้อย่างไรในฐานะอะไรพอถ้ามีปัญญาเข้ากากับเมื่อเกิดการรู้จักตัวเองจะเห็นว่ามันก็มีความรับผิดชอบพิจารณาอย่างหนึ่งว่าสัญญาคือจิตสานึก พอเราเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นครูเป็นจิ์เป็นพระก็เรียกเป็นบาสกุกปาติกาพระคติว่าสมณสัญญาบาสุกปาสกัดสัญญาปาติกาสัญญาพุทตสัญญาคือความต้นึกว่าเป็นบุตรเป็นคนเป็นประชาชนเองได้ยินก็ตนึกว่าเราเป็นประชาชนขัตติโยหั่งอิติมานุมานะว่าเราเป็นกษัตริย์มันก็เกิดความรู้สึกที่จะรับผิดชอบตามสถานะที่เราเป็น เร า, าขอลายก็งานที่เราจะต้องรับผิดชอบมีมากน้อยแค่ไหนเพียงใดก็พยายามที่จะพื้นปฏิบัติให้สอดคล้องกับภารกิจในขณะนั้นๆั้จะถามว่ายังเป็นเราไหมก็ยังเป็นเรายังมีของเราไหมก็ยังมีของเราแต่เป็นการปฏิบัติที่เกือ้อกูลต่อตอนเองและเกือ้อกูลต่อบุคคลอื่นเพื่อเกิดประโยชน์สุขแก่บุคคลทั้งหลายที่เรารู้สึกว่าเป็นของเรา ศสาสนาศนิชของเราเป็นเพื่อนขุ่มของเราเป็นอะไรของเราของเราก็ของเรามันก็มีอยู่แต่มันลดลงไปความรู้สึกไม่ใช่ถึงกับไปครุ่มครั่งไปยึดมั่นถือมั่นเอาจริงเอาจังกับเรื่องเหล่านั้นเกินไปแล้วก็แบ่งแยกกีบขัดขวางตัดรอนคนที่เราไม่รู้สึกว่าเป็นเป็นของเราหรือเป็นพลกของเราทรมาปฏิบัติเหล่านี้ในระดับของโลกิยะ เราจะพบว่าไม่ใช่ถึงกับตัดพอมาตัดยังไม่ขาดแต่ตัดยังไม่ได้เพียงต่ว่าลดความรุนแรงของความรู้สึกเป็นเราเราเป็นหรือว่าเป็นรัวเป็นตนของเราลงไปเมื่อลดตรงนี้ได้การไขว่คว้าปรารถนาสิ่งเพื่อสนองตอบความต้องการของเราก็จะลดลงไปการแสดงออกทางกายทางใจก็จะอยู่ในกรอบของความดีที่ เป็นหลักข้ามยันให้ความสุขความสงบยุติหรืออย่างน้อยก็บันเทวเวรภัยอันตรายแก่บุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติเช่นนั้นได้ตามสมควรต่อจานี้ไปขอให้ตั้งใจต้องความสงบสุขต่อไป